บทที่สองบ้านในโลกทิพการอาบน้ำการไปวัดดังที่กล่าวมาแล้วบ้านของข้าพเจ้าหลังนี้มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับบ้านในโลกมนุษย์ที่เหมือนกันก็คือรูปลักษณะของบ้านโดยทั่วไปที่แตกต่างกันมีอยู่สองประการคือส่วนใดที่ข้าพเจ้าเคยคิดฝันว่าจะทำให้ดีขึ้นเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ แต่ยังทําไม่ได้ด้วยเหตุขัดข้องต่างๆเช่นเรื่องเงินเป็นต้นนั้นวันนี้ส่วนที่คิดฝันไว้นั้นก็ปรากฏอยู่ในบ้านหลังนี้ตรงตามที่คิดฝันไว้ทุกประการประการที่สองคือส่วนประกอบของบ้านบางประการที่เป็นของจําเป็นสําหรับชาวโลกเช่นในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารคือครัวและซ้วมก็เป็นอันว่าหมดความจําเป็นเพราะงานหนักที่แสนจะทารุณ คือการดิ้นรนหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วในโลกนี้ในห้องหนังสือข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่เห็นหนังสือวางอยู่ตามชั้นต่างๆเป็นอันมากแต่แล้วก็ระ ง, งับความประหลาดใจไว้ได้ด้วยคิดว่าในบ้านและส่วนประกอบอย่างอื่นที่ยังมาปรากฏอยู่ณที่นี้ได้แล้วจะไหนหนังสือจึงจะมาอยู่ด้วยไม่ได้เมื่อพิจารณาดูต่อไป ก็เห็นหนังสือเรื่องเกี่ยวก่โลกทิพที่ข้าพเจ้าเคยแต่งไว้ในโลกมนุษย์มีอยู่ด้วยตอนนี้เองที่ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการที่ได้เขียนสิ่งซึ่งผิดไปจากความจริงอย่างมากมายเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าหนังสือเล่มนี้ของข้าพเจ้าก็ยังคงมีคนเชื่อถือและขายได้ต่อไปอีกนานข้าพเจ้าได้หันกลับไปยังเอ็ดวินคือชื่อของเพื่อนของข้าพเจ้าซึ่งเขาก็ได้บอกว่า เขาดูในความคิดของข้าพเจ้าเหมือนกันแต่ก็เป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะแก้ไขเรื่องเช่นนี้การที่จะกลับไปบอกแก่ชาวโลกถึงเรื่องนี้นั้นน่ากลัวว่าจะเป็นผลสำเร็จน้อยเต็มทีเพราะดีไม่ดีชาวโลกมนุษย์จะพากันกล่าวหาว่าเป็นพวกผีปีศาจมาหลอกลวงเขาก็ได้หรือไม่เช่นนั้นแม้บางคนจะมีความเชื่ออยู่บ้างว่าเป็นตัวข้าพเจ้าจริงเขาก็หาความจริงต่อไปอีกว่า ข้าพเจ้าคงจะถูกปีศาจร้ายเข้าสิงเป็นแน่นอนจึงพูดออกมาเช่นนั้นดังนี้จะเห็นได้ว่าการบอกความจริงเกี่ยวกับโลกทิพย์ให้ชาวโลกมนุษย์ผู้หลงงมงายอยู่ในความมืดฟังนั้นเป็นการยากลำบากเพียงใดเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์เราอาจเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือมีคนรักมากก็จริงแต่เมื่อเราละมาสู่โลกทิพย์นี้แล้วชาวโลกมนุษย์จะถือเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า เราเลี้นายจากเขาไปแล้วทุกประการนับแต่นั้นไปความรักนับถือและความทรงจำที่มีอยู่ต่อเราจะค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยจนกระทั่งเหลืออยู่แต่ชื่อเท่านั้นเองแม้ว่าบัดนี้เราชาวโลกทิพย์จะรู้สึกอย่างแน่ชัดว่าเรากําลังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงยิ่งเสียกว่าเมื่อก่อนที่เราจะได้มาสู่โลกทิพย์นี้ก็ตามแต่ชาวโลกมนุษย์จะถืออยู่ตลอดไปว่า เราเป็นผีสางซึ่งไม่มีรูปกายอย่างจริงจังนอกจากปรากฏผ่านไปมาเป็นเงาเงาแอบแฝงอยู่ในที่มือทึมทึกบางแห่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้เอดวินจึงของให้ข้าพเจ้าระงับความประสงค์เรื่องนี้ไว้ชั่วคราวก่อนเพราะในระหว่างนี้ยังมีเรื่องที่ข้าพเจ้าจะต้องพบเห็นและกระทําอีกหลายอย่างซึ่งเมื่อข้าพเจ้าคุ้นเคยต่อสภาวะความเป็นอยู่ของโลกทิพย์นี้มากขึ้นแล้ว ก็อาจจะค้นพบวิธีติดต่อกับชาวโลกมนุษย์ให้ได้ผลยิ่งขึ้นกว่านี้ก็ได้ในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าควรจะได้รับการพักผ่อนเสีช่วคราวก่อนตามลําพังเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นสบายดีแล้วขอให้ส่งกระแสความคิดถึงเขาและเขาจะมาหาข้าพเจ้าในทันทีต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็เอนตัวลงนอนบนฟูก และปล่อยจิตลงสู่สภาวะกึ่งหลับซึ่งในสภาวะเช่นนี้ข้าพเจ้ายังคงสามารถรู้สึกถึงความเป็นไปของสิ่งที่อยู่โดยรอบได้อย่างดีแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีกระแสพลังไหลมาสู่ตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกสดชื่นเยือกเย็นและตัวเบาขึ้นอย่างแปลงประหลาดความอึดอัดซึ่งตกค้างมาเมื่อครั้งยังครองกายเนื้อรู้สึกเสมือนว่าได้ผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้าจะอยู่ในสภาวะสดชื่นเช่นนี้เป็นเวลานานสักเท่าใดไม่สามารถจะทราบได้แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็รู้สึกนอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกระปรี้กับเรายัางบอกไม่ถูกขณะนี้เองข้าพเจ้าก็นึกถึงการนัดของเอ็ดวินขึ้นมาได้จึงส่งความรู้สึกไปถึงเขาทันทีซึ่งในเวลาประมาณสองหรือสนาทีข้าพเจ้าก็ได้รับความตื่นเต้นอย่างยิ่ง ที่เห็นเขาเดินเข้าประตูมาในท่านใดท่าทางตื่นเต้นของข้าพเจ้าคงจะน่าขำอยู่ไม่น้อยเพราะปรากฏว่าเขาหัวเราออกมาอย่างเต็มที่เอ็ดวินในอธิบายข้าพเจ้าฟังว่าเรื่องเจนนี้เป็นของธรรมดาในโลกทิพย์และในโลกทิพย์นี้เป็นโลกแห่งความคิดโดยตรงไม่มีกายเนื้อเป็นเครื่องถวงให้หนักและขัดข้องเหมือนอย่างโลกมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราคิดอย่างใด ก็จะเกิดผลอย่างนั้นทันทีเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะไปในที่แห่งใดเราจะไปถึงที่แห่งนั้นได้ในฉับพลันที่คิดจบนั่นเองเอ็ดวินคงจะได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหลังจากการพักผ่อนนี้แล้วเหมือนกันเพราะเขาได้แสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจอันที่จริงข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจะบรรยายได้ว่า ความรู้สึกกระปีก้กระเป่าในครั้งนี้มีสภาวะและประมาณเพียงใดในเมื่อเปรียบกับความรู้สึกของชาวโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์เราจะถูกเตือนให้รู้สึกถึงความทุกข์ของร่างกายอยู่ตลอดเวลาด้วยความร้อนหนาวหิวกระหายบ้างด้วยความไม่สบายอยุรยาบทบ้างด้วยความเหนียดเหนื่อยเมื่อลาบ้างด้วยความป่วยไข้บ้างนานาประการแต่ในที่นี้ เราจะไม่มีวันได้ประสบความขัดข้องของร่างกายดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นเลยอย่างไรก็ตามความจริงข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเสมือนท่อนซุงที่ไม่มีความรู้สึกสัมผัส ต, ต่อโลกภายนอกเช่นนั้นแต่เป็นเพราะว่าความรู้สึกทุกประการของเราเกิดจากจิตใจโดยเฉพาะจริงๆบัดนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรจะไปสำรวจดูสถานที่ต่างๆในโลกใหม่แห่งนี้แล้วเราทั้งสองก็เดินไปด้วยกันท่านที่อยู่ในโลกมนุษย์และเคยได้ไปท่องเที่ยวดูสถานที่ใหม่แปลกแปลกมาแล้วคงจะรู้สึกได้ดีว่าในโอกาสเช่นนี้เราจะมีความตื่นเต้นซักเพียงใดเราได้เดินขึ้นไปบนเนินสูงเพื่อที่จะได้ลาเห็น ทัศนียภาพไปได้ในระยะไกลเบื้องหน้าเราเป็นแนวไม้เขียวสดเป็นพืชไกลออกไปจนสุดสายตาส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมืองมีตึกรามระโหฐานอยู่มากมายด้วยกันในตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นยิ่งขึ้นที่จะได้เห็นตัวเมืองในโลกทิพย์จนเอ็ดวินรู้สึกขบขันในความกระตือรือร้อนของข้าพเจ้าซึ่งกล่าวว่าเหมือนกับเด็กๆฉะนั้น เขาได้กล่าวต่อไปว่าผู้ที่เพิ่งมาสู่โลกที่ใหม่ๆก็มักจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันทุกรายขณะนี้ข้าพเจ้าเหลือไปเห็นโบสถ์อยู่หลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนักจึงออกความเห็นว่าเราควรจะไปดูที่โบสถ์นั้นก่อนแล้วเราก็บ่ายหน้าไปตามทางนั้นทันทีในระหว่างทางก่อนจะถึงโบสถ์เอ็ดวินได้บอกว่า เขาอยากจะพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักต่อมาอีกสักครู่เราก็ได้พบชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ชายสวนผลไม้ขนาดใหญ่หลังจากได้ทักทายปราัยกันแล้วเอ็ดวินได้กล่าวว่าเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้มาถึงโลกที่ใหม่ๆเขาจึงอยากจะพาข้าพเจ้าชมสภาพความเป็นไปของโลกนี้ชายผู้นี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า ถ้าทางเป็นคนมีอายุอยู่ในวัยกลางคนแต่ข้าพเจ้าก็ได้ทราบความจริงจากเอ็ดวินว่าการทายอายุของผู้ที่อยู่ในโลกทิพนี้นั้นเป็นการลำบากมากเพราะเป็นกฎความจริงว่าในที่นี้เมื่อเรามีภูมิธรรมแห่งจิตสูงขึ้นริ้วรอยแห่งความมีอายุดังเช่นที่ปรากฏในโลกมนุษย์นั้นก็จะค่อยๆหายไปทุกทีกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือยิ่งเราอยู่ณที่นี้ไปนา น, น, าน และมีภูมิธรรมสูงขึ้นเราก็จะหนุ่มขึ้นทุกทีชายผู้นี้ได้นำเราเข้าไปในสวนผลไม้ของเขาและได้เด็ดผลไม้มาให้ข้าพเจ้าผลหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆกับลูกพลัมและทั้งสองท่านก็พากันมองดูข้าพเจ้ารับประธานผลไม้นี้อย่างขบขันเมื่อข้าพเจ้าบีผลไม้ออก น้ำผลไม้ภายในก็ไหลออกมาในตอนนี้ข้าพเจ้าคงจะได้แสดงท่าเกรงว่าน้ำผลไม้จะเปื้อนเสื้อผ้าเหมือนดังผลไม้ในโลกมนุษย์เป็นแน่แต่ข้าพเจ้ากลับต้องได้รับความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งทั้ได้เห็นน้ำผลไม้ไหลออกไปอยู่กับตาแต่ไม่ปรากฏร่องรอยว่าได้หยดลงบนพื้นเนื้อผ้าของข้าพเจ้าหรือลงณที่ใดๆเลยทั้งสองท่านต่างพากันหัวเราะยางขบขัน ที่เห็นข้าพเจ้าแสดงอาการงงงวยเช่นนั้นเอ็ดวินได้อธิบายข้าพเจ้าฟังว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไม่มีของเสียสิ่งใดที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นก็จะกลับไปอยู่ตามสภาวะเดิมของมันดังนั้นน้ำผลไม้ที่ข้าพเจ้าคิดว่าได้หยดลงบนพื้นเสื้อผ้าหรือบนพื้นดินนั้นปัด น, นี้ได้กลับไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดิมนั้นแล้ว ชายผู้เป็นเจ้าของสวนได้บอกข้าพเจ้าว่าผลไม้นี้จะมีอยู่ตลอดการเมื่อข้าพเจ้าถามว่าต้นผลไม้เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเขาก็ตอบว่าปัญหาเช่นนี้รวมทั้งปัญหาอีกหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ไว้เช่นนั้นไปพลางๆก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่จิตของเราจะบรรลุภูมิธรรมสูงขึ้นและได้เลื่อนไปอยู่ในภูมิที่สูงกว่านี้จึงจะสามารถเข้าใจถึงสภาวะเหล่านี้ได้ สำหรับปริมาณของผลไม้นั้นชายผู้นี้แจ้งว่าจะมีจำนวนคงที่อยู่เสมอเพราะเมื่อเราผลิดมาผลหนึ่งก็จะมีอีกผลหนึ่งเกิดขึ้นใหม่แทนที่อันหนึ่งผลไม้เหล่านี้ไม่มีวันที่จะสุกงอมเกินไปได้เลยโดยที่จะคงอยู่ในสภาพที่กำลังกินได้พอดีเช่นนั้นตลอดไปสำหรับรสของผลไม้นั้นก็เป็นอันว่า ข้าพเจ้าคงไม่สามารถบรรยายได้อีกเช่นเดียวกันว่าอร่อยน่ารับประทานเพียงใดเพราะเมื่อนึกดูก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีรสของผลไม้ ช, ชนิดใดในโลกมนุษย์มาเปรียบเทียบได้หลังจากที่ได้บอกลาเจ้าของสวนผลไม้แล้วเราก็ได้เดินต่อไปอีกสักครู่หนึ่งก็มาถึงห่วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งมีขนาดเท่ากับทะเลสาบอย่างย่อมย่อม เราได้เห็นผู้คนมากหน้าหลายตาจับ ก, กลุ่มกันอยู่ที่ชายน้ำบางก็กำลังอาบน้ำอยู่รอบๆทะเลสาบมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปเอ็ดวินได้หันไปสนทนากับสุภาพสตรีผู้หนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาจากท่าทางที่คนทั้งสองสนทนากันแล้วข้าพเจ้าก็นึกดาเอาว่าทั้งสองคนคงจะได้รู้จักกันมาก่อนแล้วเป็นเวลานานแต่เราก็ไม่ได้ทราบภายหลังอีกว่าเอ็ดวินเอง ก็ไม่เคยได้รู้จักสุภาพสตรีผู้นั้นมาก่อนเหมือนกันในโลกทิพนี้ไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำตัวให้รู้จักกันเสียก่อนดังเช่นโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะเมื่อเราอยู่ไปจนจิตใจคุ้นเคยกับสภาวะของโลกนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้เลยเราสามารถจะอ่านจิตใจของผู้หนึ่งผู้ใดได้ทันทีว่าเขาต้องการอยู่แต่ลาพังผู้เดียว หรือว่ากำลังต้องการผู้สนทนาด้วยสุภาพสตรีผู้นี้เป็นผู้ที่เพิ่งมาสู่โลกทิพนี้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าเหมือนกันเธอได้บอกกับเราว่าเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์เธอเป็นผู้ที่มีเพื่อนฝูงน้อยมากแต่เธอก็ไม่เคยนิ่งดูดายในเมื่อเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นที่พอจะช่วยเหลือได้นอกจากนั้นโดยปกติเธอก็ไม่ค่อยได้ไปโบสบ่อยครั้งนัก ซึ่งในเรื่องนี้เอ็ดวินได้บอกข้าพเจ้าว่าไม่ได้เป็นของสำคัญเกี่ยวกับจิตใจเสมอไปเพราะในบางครั้งเราจะนำการที่บุคคลนั้นๆไปวัดบ่อยๆหรือไม่มาเป็นเครื่องตัดสินน้ำใจนั้นอาจผิดพลาดไปได้มากๆเหมือนกันการที่เธอมีจิตเมตตากรุณาประจำสันดานไม่ดูดายในความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่างหากที่เป็นเครื่องนาเธอให้มาสู่สถานที่นี้ได้ เพราการไปวัดนั้นบ่อยครั้งก็ไม่มีความสำคัญเกี่ยวกับดวงจิตแต่อย่างใดโดยที่เป็นเรื่องสแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นเครื่องหมายภายนอกเท่านั้นหากอุคคลไม่มีพื้นความเมตตากรุณาหรือไม่ได้พยายามฟอกใจตนเองบ้างแล้วการทำบุญให้ผู้อื่นเห็นหรือการไปวัดก็เกือบจะหาประโยชน์ไม่ได้เลยในขณะ น, นี้เอ็ดวินได้เอ่ยชวนให้เราไปอาบน้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อขพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเป็นอย่างยิ่งเพราะคิดไม่ถึงว่าเราจะหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนและอาบน้ำกับสุภาพสตรีเช่นนี้ได้อย่างไรแต่เอ็ดวินได้อธิบายให้เราฟังว่าการอาบน้ำในโลกนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองหรือเครื่องประกอบอย่างใดๆทั้งสิน้นตราบใดที่มีน้ำพอให้อาบก็เป็นอันว่าอาบกันได้ทันทีเราจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่นั้น ไม่เป็นการสำคัญเมื่อข้าพเจ้ารีรออยู่เอ็ดวินก็ทำตัวอย่างให้ดูโดยเดินลงไปในน้ำอย่างหน้าตาเฉยจนกระทั่งจมหายลงไปหมดทั้งตัวตกลงเราสองคนคือข้าพเจ้ากับสุภาพสตรีผู้นี้ก็ลองเดินตามลงไปบ้างความประหลาดใจของข้าพเจ้าในครั้งนี้ก็คงมีไม่น้อยเช่นเคย เราเท่าที่คิดไว้ด้วยอำนาจความเคยชินในโลกมนุษย์ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นและเช่นนี้ก็ต้องได้รับความผิดหวังหมดทุกประการแทนที่จะทำให้ร่างกายและเสื้อผ้าของเราเปียกเรากลับรู้สึกเหมือนหนึ่งว่ามีผ้าคลุมพื้นใหญ่โอมคลุมเราอยู่โดยรอบในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีกระแสพลังคล้ายๆกับแรงแม่เหล็กแผดซ่านอยู่โดยรอบร่างกายของเราทาให้รู้สึกสดชื่นยิ่งกว่าเดิม ความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือความอบอุ่นและการลอยตัวเราสามารถจะยืนบนน้ำหรือลอยไปบนน้ำหรือไม่ก็จมลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำได้โดยไม่มีความอึดอัดหรืออันตรายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อข้าพเจ้าขึ้นจากน้ำก็ปรากฏว่าน้ำได้ไหลออกไปจากร่างกายของเราหมดสิ้นแม้เสื้อผ้าของเราก็แห้งสนิทหารอยเปียกหรือชื้นไม่ได้เลย คุณสมบัติของน้ำในที่นี้เหมือนกับคุณสมบัติของอากาศในโลกมนุษย์นั่นเองกล่าวคือสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ที่ใดและออกมาจากที่ใดๆก็ได้โดยไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ให้มองเห็นได้เลยนอกจากนั้นในที่นี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการพลัดตกน้ำไปได้โดยอุบัติเหตุเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนไหวทุกประการของกายทิ อยู่ในอำนาจของจิตใจโดยตรงและโดยสมบูรณ์ดังนั้นราบใดที่เรายังไม่ปรารถนาจะลงไปในน้ำก็จะไม่มีการตกน้ําลงไปได้เป็นเด็ดขาดเราเดินมาด้วยกันได้สักพักหนึ่งก็มาถึงโบสถ์ที่ได้ตั้งใจว่าจะมาดูเมื่อก่อนแล้วโบสถ์นี้รูปทรงเป็นโบสถค์คาทอลิกขนาดกลางตั้งอยู่ในสถานที่เรื่นรมย์ยิ่ง ที่น่าสังเกตก็คือไม่มีรั้วหรือกำแพงบอกให้ทราบว่าอาณาบริเวณของโบสถน์นี้ควรจะอยู่แค่ไหนมองดูโดยทั่วไปจะรู้สึกว่าเป็นโบสถ์ที่เพิ่งสร้างใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่ทายไม่ได้เช่นเดียวกับอายุคนที่นี่เหมือนกันเพราะในโลกซึ่งไม่มีการเน่าเปื่อยหรือของเสียเช่นนี้ย่อมไม่มีสิ่งรบกวนเช่นขมาววันหรือฝุ่นละอองที่จะทาให้ลาดูเก่าไปได้ สิ่งประจําโบสถ์หรือวัดที่ขาดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าช้าที่ฝังศพซึ่งในที่นี้คงไม่จําเป็นจะต้องกล่าวก็ได้ว่าสถานที่เช่นนั้นหาประโยชน์ไม่ได้โดยสิ้นเชิงข้างๆประตูใหญ่มีกระดานป้ายแผ่นหนึ่งแขวนไว้ทํานองเดียวกับโบสถ์ทั่วๆไปในโลกมนุษย์ที่กระดานป้ายก็มีประกาศติดไว้โดยบอกแต่เพียงว่าจะมีเทุเรื่องอะไรเท่านั้น ไม่ปรากฏมีบอกไว้เลยว่าเทศเรื่องนั้นๆจะมีขึ้นเมื่อใดหรือเวลาใดด้วยความประหลาดใจข้าพเจ้าได้หันไปถามเอ็ดวินถึงเรื่องนี้ก็ได้รับคําตอบว่าเรื่องวันและเวลานั้นนับกันไม่ได้ในที่นี้เพราะไม่มีกลางวันและกลางคืนสลับกันไปที่จะให้กําหนดได้เหมือนอย่างในโลกมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าในที่นี้มีแต่กลางวันอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่อยู่ในที่นี้จะไม่รู้สึกเลยว่าเวลาได้ล่วงไปเท่าใดร่างกายของเราไม่มีการแก่สุดโทมจิตใจก็ไม่มีการมึนงงหรือเชื่อชาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าพระสงฆ์ต้องการจะเรียกคนมาฟังเทศเมื่อใดก็ส่งกระแสจิตไปเรียกสัตว์บุรุษของท่านได้ทันทีไม่ต้องมีการสั่นกระดิ่งหรือตีระฆังระกระแสจิตที่ส่งไปนั้น สามารถจะถึงตัวผู้ที่ต้องการจะมาฟังเทศได้โดยฉับพลันต่อจากนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะฟังเทศเมื่อได้รับกระแสจิตของท่านแล้วก็ตรงมาได้ทันทีเราพากันเข้าไปในโบสถ์แลรู้สึกว่าภายในประดับประดาเอาไว้อย่างสวยงามมากตามกระจกหน้าต่างมีภาพชีวประวัตินักบุญเป็นภาพระบายสี ซึ่งเมื่อมองจากภายในโดยกระทบกับแสงสว่างภายนอกแล้วก็ทำให้หน่าชมขึ้นอีกเป็นอันมากเรานั่งพักกันอยู่ครู่หนึ่งท่ามกลางความสงบเงียบเมื่อได้ตรวจดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันกลับออกมาข้างนอกมายเหตุผู้อ่าน สำหรับในเรื่องของโบสถ์และสิ่งต่างๆที่ปรากฏเป็นเพียงสวรรค์ชั้นหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าในทุกทีจะต้องปรากฏเช่นนั้นเสมอไปนะครับกลุ่มคนที่ยึดมั่นและศรัทธาในแนวเดียวกันก็จะไปอยู่รวมกันจึงเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่คนกลุ่มนั้นๆสำหรับในหนังสือเล่มนี้ท่านใช้ศัพท์เกี่ยวกับศาสนาซึ่งจะของเรื่องท่านนับถือคริสต์แต่พอปลายเป็นภาษาไทยท่านผู้แปลก็ใช้ศัพท์ในทางพุทธเพื่อความเข้าใจได้โดยง่าย เช่นคำว่าพระสงฆ์ซึ่งในที่นี้ท่านหมายถึงนักบวชของศาสนาคริสต์เป็นการแปลให้คนอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับ